อวันนี้สมาชิกเก่าๆเกือบทั้งหมดมีใครไม่เคยมาไหมวนันนะี้ใช่ไหมมาจากไหนกันว่มากไกลไรทำไมทางน้นไม่มีพระแล้วทั้งหมดถึงนี่ <c oughs> ไอ้ที่หัวหินได้ที่หัวหินมีมาจากนครได้ใกล้หน่อยองหลวงพ่อมนตรี หลพ่อมนตรีอาพัสรโลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลก่อนหลวงป้ออีกเป็นลูกศิษย์รุ่นโตท่านแต่ความจริงโตในรุ่นเล็กนะรุ่นโตโตจริงๆริงุ่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนเลยนั่นนี่หลวงปู่ดูลเนี่ยลูกศิษย์รุ่นใหญ่ท่านไปก่อนท่านท่านอายุยืนท่านไปเผาศพลูกศิษย์หลายองคนะ์แล้วหลวงปู่ฟัน่น อ่อนเรียคุณโชดหลวงพ่อมันตรีนี่ก็เป็นรุ่นรุ่นหลังอาวุโสในรุ่นหลังหลวงพ่อเนี่ยแทบจะรุ่นสุดท้าย <c oughs> ไปเรียนจากขั้นก่อนท่านมรณาภาพปีกว่าๆวายไปเรียนจากท่านหกครั้งเองสามสี <c oughs> ่เดือนไปทีหนึง่ง ไปเรียนได้หครั้งไปหาท่านครั้งที่สามท่านก็ไล่ละช่วยตัวเองไม่ต้องมาละการปฏิบัติจริงๆไม่ได้ยากอะไรมันไม่ยากเลยที่หลวงพ่อพูดว่าการปฏิบัติไม่ยากมันไม่ได้พูดเองประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อการปฏิบัติมันไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ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 เรีย น, นท่านสอนอรวบลัดเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองน้อง่ายสั้นนิดเดียวเลยถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ก่อนลงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลเค้นไปอ่านหนังสือของหลวงปู่แหวกองรัดสัมพันธวงศ์เขาพิมพ์ให้มาเขาเหลือที่อยู่หน่อยหนึ่งเขาก็เอาธรรมะอริยสัจแห่งจิตของหลวงปู่ดูลไปลงไว้ตอนนั้นท่านใช้ชื่อ พระรากรณีวสุดสมั ย, ยนั้นเราไปดูแล้วโอ้เห็นเน่าทึ่งนะเร่องแบบจิตสออกนอกเป็นสมุทยัยคนที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่เกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอนหนึ่งมีอีกบทหนึ่งนะเราจํากันได้บทเดียวอนหนึ่งธรรมดาของจิตย่อมส่ออกนอก จิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อผ่อนผันไหวยินดียินไายขึ้นมานะเป็นสมูทไทยก็มีผลเป็นทุกข์จิตส่งออกนอกแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยูนะ่ไม่ก็เพื่อผ่อนผันไหวอะไนี่เป็นทางปฏิบัติมากท่านก็บอกพราริยาเจ้าทั้งหลายคำว่าพระริยาเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอราหารนะันตะก็ยังมีจิต ท, ที่ออกนอกเลยสมองธรรมดา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 รู้กายรู้ใจเราเหมือนเรานั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่ารูปกับนามหรือกายกับใจหรือจะเรียกหนังสือสองเล่มก็ได้เรื่องกายเรื่องหนึ่งเรื่องใจเรื่องหนึ่งอ่านอย่างนี้ยทําตัวเปน็นนักอ่านท่านให้อ่านหมายถึงว่าหนังสือมันมีอยู่ยังไงก็รู้มันไปอย่างนั้นคําว่าอ่านเนี่ย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 มันไม่ยึดถือจมูกมันก็ไม่ยึดถือกลิ่นไม่ยึดถือลิ้นมันก็ไม่ยึดถือรสไม่ยึดถือกายเนี่ยไม่ยึดถือพปฎิภาปัญญาใจมันจะเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสปทธภาธรรมารมณตรงที่ใจเป็นกลางต่อรูปเสียงกลิ่นรสปทธภาธรรมารมณนี้เป็นภูมิของพระนาคามีไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปฎิภาแต่ธรรมารมณ์ยังยินดีนะพ่อพูดเกินไปนี้ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสปทัพก็คือปราศจากกามราคะและปฏิฆะนั่นเองจิตพ้นจากกามาภูมิกามวจรภูมินั้นถ้านาคาเนี่ยจะไม่เวียนมาสู่กามาพบไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นอสุรากายไม่เป็นเปรตไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวดา เกิดเป็นพรหมเป็นพรมอัตนมัตินะไม่ยังต่ำที่สุดก็เป็นพรหมเรียกว่าพรหมปาริสัจ ช, ชาเป็นพรหมพรหมบริวารเป็นพรหมบริวารของเท้ามหาพรหมแลพรหมมีทั้งหมดยี่สิบชั้ น, เ ป, นปเป็นรูปเป็นรูประพรมทักสิบกชั้นอารูปสักสีไม่ใช่ว่าพระนาคาทุกอ ง, องค์จะต้องอยู่สุดตาวานนะ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 รู้กายไปหรู้จิตใจของเราไปรู้ง่ายๆรู้ซื่อๆนะไม่ได้รู้อะไรลึกลับซับซ้อนพวกเราหลายคนเวลาคิดถึงทํากรรมฐานนะนะเ่าคิดแต่ว่าต้องทํำยังไงถึงจะถูกต้องทอํายังไงถึงจะถูกคิดอยู่แต่อย่างเนี้ยหาทางทําให้ถูกไม่ต้องหาทางทําให้ถูกเราทํายังไงก็ผิดเพราะว่ามันผิดตั้งแต่อยากจะทำแนละ้วให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นสิรู้ใจอย่างที่เขาเป็น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 สอนเรื่อง ท, นทานทำทานเรื่องถือสีเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกรรมเรื่องการออกจากกรรมแล้วก็เรื่องอริยสัจออกจากกรรมแล้วก็มาเรียนรู้อริยสัจสอนทุกสมูทัยนิโรธมรรคทุกคือขันห้าคือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ที่รู้ไม่ได้ก็เพราะว่าการมสุภา ร, ริกานิโยคใจมันหลงตามกิเลสมันลืมตัวเองอาจตาดกิลมะฐานนิโยคไปบังคับกายบังคับใจทําให้รู้ไม่ได้ ถ้าไม่สุดโตไปสองข้างนั้นนะกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเท่านั้นเองง่ายๆนะมันง่า ย, นะางงายสุดๆเลยนี่พวกเรามันหลงอยู่แต่ในโลกของความคิดวันมัน น, นั่งคิดไปทั้งวันเลยขณดใดหลงไปอยู่ในความคิดขนาะนั้นไม่ได้อยู่กับการรู้กาย ร, ร, า ร, รู้ใจรู้ไม่ได้กายกาใจจะหายไปจากโลกอย่างเบอร์เจ็ดสิบสองรู้สึกไหมที่มาจากนกครน่ะ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 จะมารู้ที่เพดานปากไหมรู้ที่คอไหมรู้ที่อกไหมรู้ที่ท้องไหมเรื่องมากนะหรือจะตั้งอยู่ที่เดียวหรือจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามกันไปเรื่อยๆหาเรื่องคิดทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะ่ะมีลมมีตั้งหลายฐานนะคนสร้างลมหลายๆฐานขึ้นมามีฐานโน้นฐานนี้นะจะขยับมือต้องมีท่านนะมีสิบสี่จังหวะ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 ถ้าฟังธรรมะได้ถูกต้องนะฟังเป็นนะสติจะเกิดเพราะมันจิตมันไปเห็นสภาวะเข้าสติจะเกิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะรู้จักแล้วว่าจิตที่แอบไปคิด่ะจิตที่หลงไปคิดเป็นยังไงจะรู้จะสึกว่าเออจิตที่หนักๆแน่นๆนี่ยเป็นยังไงจิตที่จงใจปฏิบัติเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างสองอย่างนะเนี๋ยจิตที่สงสัยเป็นยังไงเนี่ยเรียนรู้ลงไปอย่างนี้จิตมันสงสัยขึ้นมาก็รู้ทันมัน หัดรู้ไปเรื่อยจิตใจเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆนะ่ะแล้วสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะอีริโอตัปปะอินสียสังวรศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์วิมุตต์ญาณทัศนนะ์จะเกิดตามมาเป็นแถวเลยขาดสติตัวเดียวไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะขาดสติจิตเป็นอกุศลทันทีเลยนี่ถ้ามีสติแล้วไปเพ่งเพ่งอยู่ที่ท้องที่เท้าที่ลมอะไรนี้ได้แค่สมถะ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 ให้เราหัดรู้ทันใจของเราใจไปฟังก็รู้ทันนะใจเราไปคิดก็รู้ทันเอี่ยหัดดูไปหัดไปอย่างเนี้ยมาฟังหลวงพ่อพูดนะ่ยพูดแต่เรื่องสภาวะนะหัดรู้สภาวะไปรู้สภาวะแล้วเดี๋ยวสภาวะก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราก็จะเข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปนะปล่อยวางเป็นลำดับลําดับไปเข้าถึงความสุขเป็นลําดับลําดับไปนะห่างทุกข์เป็นลำดับลําดับไปมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะถึงที่สุด มีความสุขมีแต่ความเต็มอิ่มมันอิ่มนะอิ่มมากหญิงหนีไปแล้วหญิงสบสบายหญิงพี่ชัยตอนเดินขึ้นศาลามานะหลวงพ่อ เ, เห็นว่าจิตก็ดีนะตอนนี้มันนั่งนานๆชักมัวดูออกไหมให้รู้ลงปัจจุบันไปเรี่ยเขาไม่เที่ยงเขาไม่เที่ยงเบอร์สี่สิบเก้าใจลอยไปแล้ว ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเบอ่อ49เอ้านี่นี่ทำอะไรอยู่อืออย่าไปหลงอยู่หลงคิดรู้สึกขึ้นมาใจไหลไปคิดแล้วรู้สึกขึ้นมอย่าปล่อยใจให้ไหลาตามกิเลสเลยนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยตอนแรกๆมันก็เหมือนน้าในลำพุ้ยอ่อนๆน่าเล่นนะน่าลุยเล่น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 รู้สึกไม่เห็นมีพิษภัยอะไรเลยไปจีบเขาเล่นๆ เ, เลยนะหนุ่มก็ไปจีบสาวสาวไปจีบหนุ่มไปเล่นๆ เ, เล่นไปเล่นมาถล่มลงไปเบรกไม่ยัดไม่ได้แล้วนะถูกมันลากไปทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็มีหรือไปเล่นกับความโกรธเกลียดให้วกว่กนี้เกลียดนิดๆคิดมันทุกวันเลยคิดเรื่อยอยางนี้มันเร็วยังงั้นเร็วอย่างนี้นะเล่นไปเรื่อยนะไม่ระวังใจแค่เดียวความโกรธตัวใหญ่ เอาไม่อยู่คราวนี้โกรธทั้งวันทั้งคืนถูกความโกรธพัดพาไปลงเหวเอกีกลงเหี่ยวน้ําตกไปกิเลสนี่ประมาณไม่ได้นะค่อยเรียนรู้ค่อยระวังคอยดูจิตตัวแจของเรานะอย่าไหลาตามมันไปหรือมันชอบหนีไปคิดนี่โมหะหนีไปคิดรู้สึกคิดแล้วสนุกดีเคย ร, รู้สึกไหมใครรู้สึกบ้างเวลาบางทีนั่งคิดรู้สึกมีความสุขดีเพอิดเพลินๆ น, น, น, นะ อย่าหลงกล น, นะตัวนี้ถูกหลอกสาหัสสากันเลยจะข้ามพบข้ามชาติไม่ไหวเลยคิดแล้วมันเพลินคิดแล้วมีความสุขสังเกตไหมมันชอบคิดเรื่องเก่าบางคนอย่ไปตอนนอนนะตอนนอนจะต้องคิดเรื่องนี้ให้มันแล้วมันสบายแนละ้วเดี๋ยวได้หลับกลับไปคิดแต่เรื่องเก่าๆบางคนก็นั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยทั้งวันนะใจก็ฟุง้งฟุงเบอร์เจ็ดสิบสองรู้สึกไหมเบอร์เจ็ดสบสองข้าแรกสุดนะจําเบอร์ให้ได้ก่อนนะ เดี๋ยวนี้บางคนเขารีเริ่มใหม่เน่าสนใจนะเขาทําป้ายชื่อมาเองใส่ชื่อไปเลย น, ะนายเปิ้ลนายดาวอะไรเงี้ยมีชื่อเรียกแล้วก็รู้เลยแต่บางทีก็มีปัญหาวันหนึ่งมีชื่อเดียวกันหลายคนในะครรู้ไปนะใจอย่าหลงไปในโลกของความคิดมันชอบคิดเรื่อยเปื่อยให้รู้ทันให้รู้ทันถ้ายัางสนุก เ, เพลิดเพลินกับการคิดเรื่อยเปื่อยมันจะคิดเรื่อยเปื่อยมากขึ้นมากขึ้น เนี่ยตามใจไม่ได้นะกิเลสต้องคอยรู้ทันอย่างบางคนประมาทพระด้วยซ้าไปไม่เฉพาะโยมพระดังมากเลยองค์เจริญเมตตามากเห็นใครก็เมตตาไปหมดเลยนะหวานแหววไปหมดเลย <c oughs> รู้สึกไม่กลัวกิเลสกูเก่งกูเก่งนะท่าเดียวราคาเกิด น, นะเสียผู้เสียคนเลยกีบอนเหลืองใช้ไม่ได้ละ ถ้าใครรู้ทันจิตใจของเรานะจิตใจของเรามีธรรมชาติไหลลงที่ต่ำํำจะไหลลงที่ต่ําอัตโนมัติเลยคืนไปเล่นกับกิเลสนะั่นก็จะถูกมันไหลพาไหลลงที่ต่ําไปเรื่อยๆไอตอนขึ้นขึ้นยากนะคืนขึ้นขึ้นยากตอนแรกๆที่กิเลสยังบางๆเราไปเล่นกับมันรู้สึกมันดิรู้สึกมันไหมบางทีแกล้งโมโหใครสซะหน่อยๆนะสะใจดิหรือแกล้งบางคนนะพวกผู้หญิงชอบเป็นเยอะเราเฝ้าสังเกตดูชอบสวมวิญญาณนางเอก ทับชิดอะไรให้เศร้าๆนิดๆ น, นึ่งนะให้แสบๆในใจอย่างเงี้ยชอบนะชอบสวมิญญาณนางเอกแล้วทำเป็นเศร้าๆแหมน้ําตาคลอๆอยู่ข้างในนะไมมีความสุขโถเอ้ยจะลงนรกยังไม่รู้ตัวประตูนรกอยู่ตรงนั้นเลยกิเลสเล็กกิเลส น, น้อยก็ไว้ใจไม่ได้นะต้องคอยรู้ทันไปสตินั่นแหละดีที่สุดเลยกิเลสไหลแวบบมาสู่ใจเราถ้าสติเกิด แต่สติเกิดได้สติต้องรู้จักกิเลสซะก่อนต้องค่อยๆสังเก ต, ตค่อยๆทําความรู้จักมันไปเพิ่มขึ้นวัละอย่างสองอย่างเรียนรู้กิเลสเพิ่มขึ้นไปวานละนิดวาระหน่อยไม่ต้องรีบร้อนนะรีบร้อนเป็นกิเลสอีกหัดรู้จักไปเช่นโอ้นั่งพุทโธพุทโธไปนั่งดูท้องพองยุบหรือนั่งหายใจไปแล้วใจลอยแว้บไปแลนีไปคิดและรู้ทันว่าหนีไปคิดนี่หัดรู้จักในส่วนใจหนีไปคิดแว้บก็จะรู้ทัน แต่คุณผู้หญิงเสื้อขาวแขนสั้นนั้นนะใจหนีไปคิดรู้จักไหมใจมันหนีไปคิดไหลแวบไปใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนี้หากรู้จักสภาวะไปเรื่อๆพุทโธพุทโธก็ได้นะพุทโธก็ดีไปรู้ลมหายใจรู้ท้องรู้อะไรเงี้ยส่วนมากชอบเพ่งแต่พุทโธแล้วไม่รู้จะเพ่งตรงไหนหาที่เพ่งยากเอยพุทโธพุทโธพุทโธไปใจแอบไปคิดแแวบบรู้ทันละ แค่รู้ว่าใจหนีไปคิดไม่ว่ามันนะัะแค่รู้ทันนะพุทโธพุทโธไปใจชักจะซึมซึมแล้วรู้ว่าใจซึมๆึ ม, มพุทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนี่คือการหัดรู้สภาวะต่อไปจิตจําสภาวะได้มากจําสภาวะได้แม่นสติจะเกิดบ่อยเพราะสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นยําไม่ว่าเกิดจากทิระสัญญาทอถุงสรติรอเรือทิระสัญญา จิตมันจําได้แม่นแล้ว ส, สติจะเกิดเนี่นเราก็ซ้อมทุกวันนะหัดพุดโทโธไปหัดหายใจหัดท้องยุบอะไรไปก็ได้ที่เคยทําแล้วสบายแต่ถ้าทำแล้วเครียดเครียดไม่เอานะแสดงว่าไม่ถูกจริตอย่างคนไหนพุโทโธแล้วอึดอัดก็ไม่เอาพุโทโธเอาอย่างอื่นคนไหนหายใจแล้วอึดอัดก็อย่าเอาลมหายใจไปหากรรมฐานอื่นกรรมฐานโมเจไปหรือดูท้องพองยุบแล้วอึดอัดก็ไม่เอาไปเอาอันอื่นเอาที่มันสบายสบาย บางคนสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์ก็ได้สวดไปเรื่อยเห็นปากกระงับกระงับไปนะแล้วก็เดี๋ยวเห็นใจไหลแวบบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วปากก็ยังสวดได้นะในใจหนีไปรู้ทันว่าใจหนีนี่หัดรู้ทันหัดรู้สภาวะไปเรื่อยเดี๋ยวสติเกิดเองนะต่อไปพอ ก, กิเลสเกิดขึ้นในใจิตในใจแว บ, บสติเห็นเองแต่เห็นแล้วก็อย่าไปสนุกกับมันนะหลายคนเห็นแล้วสนุกกับมันคล้อยตามมันลองรักเล่นๆดู ชีวิตจะได้มีรสชาติเดี๋ยวมันก็ตกเหวนะก่อนมีคนเขณฑ์กรอนแม่หนึ่งบอกเหวลึกเอย่านึกว่าเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าะนองไปลองผลักนะตกเหวหินปีนป่ายยังไง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนไปจนตายแหมวันนี้มีกรอนด้วยนะหลายหลายปีจำได้ครั้งหนึ่งเนดะีย๋ยวโง่นะเดีย๋ยวโง่ ไม่เฉพาะเหวรักเราเหวโกรธก็เหมือนกันเพงแค้นหนังจีนชอบสอนนะผู้ดีแก้แค้นสิบปีไม่สายผู้ดีอะไรผู้ร้ายชัดๆนะมันอาฆาตมันจะผู้ดีอะไรแยกไม่ออกเลยว่าอะไรดีอะไรเลวนะมาสอนผู้ดแีแก้แค้นสิบปีไม่สายหรืออย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลชาพุทธไม่ต้องให้คนชั่วลอยนวล น, นะถูกแล้ว แต่ไม่ใช่เกลียดชังมันโบราณนะมีหน้าที่อย่างที่พระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวบอกไม่ให้คนชั่วมันมีอำนาจแต่ไม่ได้ไปเกลียดมันนะเกลียดมันแล้วไม่มีความสุขมันเป็นเรื่องของการมีเหตุมีผลดังั้นชาพุทไม่ใช่พวกนิ่งนอนใจนะเห็นความชั่วอยู่แต่หน้า ต, ตาตาแล้วชั่วช่างชีดีช่างสงนี่ไม่ใช่นะ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 สังเกตใจนะพอหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมหนีวิคิดอุตรุษเลยหนีไปคิดแล้วคอรู้มันไปนใจนี้ไปคิดแล้รู้นี่ไปคิดแล้รู้อย่านึกว่าแค่นี้ไม่สําคัญนะสําคัญนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคนที่ฟังหลวงพ่อเทศสองครั้งสามครั้งหรือเอาซีดีไปฟังนะฟังไปเรื่อยเื่สติเกิดขึ้นได้นะมีเป็นพันแล้วนะที่จิตที่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมา มีจนนับไม่ถูกละจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นหลายคนมารายงานนะมีความสุขจิตใจเปลี่ยนไปฉับพลันเลยเปลี่ยนเร็วมากเลยจากคนที่อมทุกข์นะก็กลายเป็นคนที่ไม่ออมทุกข์แล้วความทุกข์ไหลมาแล้วก็ไหลไปนะจิตใจก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นภาวนาถูกต้องต้องมีความสุขนะภาวนาถ้าถูกต้องเลยต้องมีความสุขถ้าภาวนาผิดเจะเครียด หลวงพ่อเคยอ่านงานรีพอร์ตอันหนึ่งของหมอศรีธัญญานะบอกไม่ชอบพวกนักปฏิบัติธรรมว่เพิ่มงานให้หมอหมอลงบันบ้าเท่าะอะไรเพราะว่าคนส่วนมากก็เครียดอยู่แล้วทุกวันนี้ไปปฏิบัติธรรมแล้วเครียดมากกว่าเก่าเท่าสติแตกเลยบ้าไปหามหมอมาแต่แหลงการหน่อยนะใคร ญาติพี่น้องภาวนาแล้วบ้าพาไปหาหมอนะเนีย๋ยพาไปหาหลวงพ่อเนาะชี้เกียรแก้เหนื่อยแก้คนหนึ่งคนหนึ่งนะคนดีๆมาฟังไปตามสถิติเนี่ยไม่เคยมีนะที่มาเรียนจาบหลวงพ่อแท้ๆแล้วบ้าไม่เคยมีเลยสักคนเดียวมีแต่ว่าเคยเครียดๆอยู่ก็หายเครียดภาวนาถูกต้องต้องมีความสุขนะภาวนาเครียดทําผิดแน่นอน ก, การปฏิบัตินี้ไม่ยากไม่ยากทําง่ายทําแล้วมีความสุขด้วยยิ่งปฏิบัติยิ่งขยั น, นเหมือนแกกิเลสเหมือนกันนะกิเลส น, นะยิ่งตามใจมนะันน่ะยิ่งขยันคือ ย, ยิ่งไปเร็วไปแร ง, ง, งแการภาวนาเหมือนกันเหมือนเราเดินทวนน้ำเอยแรกแรงอืดเหมือนขี่จักรยานขึ้นภูเขาอืดมากเลยเหนื่อย ขึ้นไปข้างบนทางมันจะลาดลงลาดลงนะในที่สุดจะไปถึงทางที่ราบเรียบนะราบเรียบสงบสันติร่มเย็นมีความสุขล้วนๆเลยยิ่งภาวนาไปนะทางที่ชันๆนีๆ่จยิ่งลาดลงลาดลงในที่สุดเป็นทางราบที่ราบรื่นมากกคล้ายๆปูกระดึงเดินขึ้นไปแล้วเหนื่อยนะข้างบนมนแบนๆหลวงพไม่มีปัญญาปีหรอกดูจัดเครื่องบิน เห็นยอดมันแบนๆการภาวนาเหมือนกันนะถึงจุดหนึ่งมันราบเรื่นใหม่ๆลาบากล้มลุกคลุกคลานต้องอดทนเราสู้กับแรงดึงดูดของกิเลสอย่างเราจะภาวนากิเลสก็แบบนอนดีกว่านอนดีกว่าหรือจะเอาเวลามาภาวนาไปเที่ยวก่อนนะหรือไปทํางานนั้นก่อนเดี๋ยวว่างๆเราค่อยกลับมาภาวนา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 การดูจิตนี่เหมาะกับพวกที่จิตจริตพวกคิดมากแล้วดูได้เลยนะให้ได้ทําฌานก่อนถ้าดูกายต้องทําฌานก่อนอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านทําฌานทําฌานแล้วมาดูกายถูกกับอภิธรรมเป๊ะ เ, เลยถูกกันเป๊ะเลยนะท่านถึงได้ผลไงพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยนะไปทํากรรมฐานวิธีน้อยวิธีนี้ส่วนมากดูกายนะรู้ลมรู้ท้องรู้เท้ารู้มืออะไรเงี้ยดูกายทั้งกายแต่ไม่ทําสมถะ ใจไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาจริงชอบไปเพ่งรู้ลมก็เพ่งลมรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้ท้องเพ่งท้องรู้มือเพ่งมือรู้กายทั้งกายก็เพ่งเหมือนทั้งตัวเลยเลยไม่ได้ผลมรรคผลนิพพานเหมือนกับของอะไรที่ยากเย็นแสนเข็นนะฝืดฝื ด, ฝ, ดฝืนฝนืเอาไม่ได้สักทีถ้าเรียนให้ถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วโอ้ง่ายเหลือเกิน เราต้องดูตัวเองก่อนว่าเจริตนิสัยเราเป็นไงคนพวกเราที่มาเรียนจากหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกคิดมากทํามาหากินด้วยการคิดชาวไร่าชาวนาอะไรนี้ไม่ค่อยได้มาเรียนที่หลวงพ่อถ้เป็นพวกทําธุรกิจฟาร์มอะไรเงี้ยนี่ก็นักคิดนะทําฟาร์มกล้วยไม้ทําอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ชาวไร่าชาวนาแบบดั้งเดิม คนที่ทำงานที่คิดทั้งวันเนี่ยไม่มีเวลาทำสมถะแล้วใจก็ฟุ้งซ่านทั้งวันทำไม่ลงหรอกวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งอีกแล้ว่ำๆมานั่งอีกสงบอีกแล้วพรุ่งนี้ฟุ้งอีกแล้วทั้งชาติก็เลยได้แค่สงบแล้วฟุ้งซ่านไปไหนไม่รอดแต่ถ้ามาหัดดูจิต ด, ดูใจอย่างที่หลงพ่อสอนนี่นะทำได้นะ ขับรถอยู่ก็ทําได้กินข้าวอยู่ก็ทําได้อาบน้ําอยู่ก็ทําได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทําได้ทั้งนั้นนะเวลาทํางานไปก็จดจอกก่องานทํางานแล้วเครียดเนี่ยสติเกิดระลึกขึ้นได้แล้วเครียดและ้ะภาวนาได้ไปนั่งประชุมเห็นหนา้คนที่มาประชุมกับเราวันนี้โอ้ยคนคนขอโทษนะคนตีนทั้งนั้นเลยะเห็นก็อึดอัดละสติมันทํางานอัตโนมัติเห็นความอึอดอัด วันนี้เห็นหน้าตาคนที่มาจะมาต้องมาประชุมถกแถลงงานกับเราโอ้หน้าตาใจดีทั้งนั้นเลยคุ้นๆกันทั้งนั้นน่ะสูเอียกันได้นะพัวกันได้สบายใจรู้ว่าสบายใจนมันง่ายขนาดนี้หรือเราทําโปรเจกต์ไว้อันหนึ่งไปเสนอเสนอลแล้วแหมคนก็ชมดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะมันปลื่มนะปลื่มเรารู้ว่าปลืม่มภาวนาได้ เสนอเข้าไปมันติโน่นตินี่หาเรื่องติไปเรื่อยโมโหเรนะืรู้ว่าโมโหเนี่ยในชีวิตเราทําได้นะขับรถอยู่เจอไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจนี่ยทําได้วันนี้เจอแต่ไฟแดงหงุดหงิดเคยเจอไหมวันนี้ไม่รู้ดวงก็เรีกดวงสวยอะไรสักวันนะไฟไหนเจอแต่ไฟแดงตลอดเลยหนะงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดรถติดแถวยาวๆเห็นไฟเขียวยังไม่ดีใจรู้สึกไหม ยิ่งกระสับกระส่ายหนักเอะจะพ้นไม่พน้นจะพ้นไม่พน้นะถึงกันสุดท้ายติดคันแรกเนี่ยโมโหมากมถ้าติดคันที่ห้าโมโหน้อยกว่าคันแรกรู้สึกไหมถ้าติดอยู่คันที่ยี่สิบนี่โปร่งอนิจจังแล้วเดี๋ยวต้องรอยอีกรอบไม่กวนกับวายเนี่ยใจของเราเนี่ยดูลงไปเนี่ยของง่ายๆแค่เนี้ยทําไมยังไม่รู้ของง่ายๆแค่งงเนี้ดูเข้าไปในที่สุดก็เห็นเลยของไม่เที่ยง ใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ ύ, เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาไม่เทียเ่ยงแหละแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันทํางานของมันเองเดีเ๋ยวมันก็หนีไปฟังเดี๋ยวมันก็หนีไปดูเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดห้ามมันไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงอย่างเงี้ยว่ากายกายใจไม่เที่ยงกายกใจเป็นทุกข์กายกใจเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ เรียนเพื่อเห็นความจริงเหล่านี้การได้เห็นความจริงเหล่านี้แหละเรียกว่าเห็นธรรมะถ้าใจเรายอมรับความจริงเมื่อไหร่ได้พระโสดาบันวันนั้นใจยอมรับความจริงคันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราได้พระโสดาบันวันนั้นแหละแล้วก็เห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะวางกายได้ก็จะได้ท่านาคาวันนั้นแหละเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะจะเป็นท่าละหันในไม่กี่ขณะจิตข้างหน้านั่นแหละ เดี๋ยวเราหยุดพักก่อนเชิญไปทานข้าวเลยไปแล้วก็เดี๋ยวนี้